นี่คือรายการธรรมารับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายการกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในเวลาตีห้าเช้าๆอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังจากทางส่วนไหนของประเทศไทยหรือแม้แต่ทางคลื่นสั้นหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่ ทางรายการธรรมราบรุญก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันอย่างนี้เสมอโดยมีอาตมาพระไพบูลอภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีจะมาเป็นผู้ที่บรรยายธรรมะบางวันก็จะเอาเรื่องราวต่างๆอะไรมาเล่าให้ฟังอย่างเมื่อวานที่ผ่านมาเรา ไ, ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะได้ใช้ช่วงในช่วงนั้นชื่อว่าพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอด ต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังสักหน่อยหนึ่งว่าที่ต้องเอาพุทธวจนะมาพูดนี่เพราะอะไรคือเมื่อวานเนี่ยเราได้ให้ฟังแต่พุทธวจนะลวน้ลวนเลยนนในตลอดอช่วงของรายการธรรมรัตน์ก็เลยจะไม่ได้มีเวลาพูดถึงว่าเหตุใดจึงต้องฟังพุทธวจนะแล้วก็การขยายความในส่วนนั้นก็ยังไม่ได้พูดถึงในวันศุกร์อย่างนี้ก็จึงจะเอาอการอธิบาย หมธรรมะที่ได้พูดไปเมื่อวันนั้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนที่จะอธิบายเนื้อหาในิสัยนั้นก็จะอขอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าช่องทาง ท, างที่จะติดต่อกับทางรายการนะท่านทั้งหลายจะเขียนจดหมายก็ได้หรือประเลียนยบัตถ้าสะดวกก็ส่งมาที่สถานีวิยยทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนวิพาวดีรังสิต กรุงเทพดินแดง1 0 4 0งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะจะเป็นคลองไปแล้วหรือว่ายังแห้งอยู่ถ้าบริษัทมาส่งเราก็จะตอบให้ในรายการนะห้องส่งของเรายัางอยู่สูงยังสามารถกระจายเสียงต่อไปได้ไม่ว่าอยู่ทางส่วนไหนของประเทศนะก็ยังรับฟังรายการนี้ไปได้หรือว่าถ้าท่านสะดวกทางอินเทอร์เน็ตนะก็ส่งมาไดนะ้ไปที่เว็บไซต์เพรม .com puredhamma.com/com แล้วก็ไปที่หน้าของกรมประชาสัมพันธ์ prd/prd ตัว p ตัว r แล้วก็ตัวดีแล้วก็จะมีส่วนที่ให้ใส่คอมเมนต์เอาไว้หรือว่าจะไปใส่ไว้ตรงไหนๆของหน้าก็ได้แล้วก็จะได้รับข้อความข้อมูลอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราก็เอาข้อความข้อมูล คำถามจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์เนี่ยมาตอบให้ฟังด้วยพูดถึงเรื่องของพุทธวจนะสักหน่อยนึ่งก่อนพุทธวจนะนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะแปลว่ า, าวจนะนี่ก็แล้วคําคพูดนั่นแหละพุทธะก็คือพระพุทธเจ้านะั่นนะคือคําพูดของพระพุทธเจ้าไอ้ที่เรามาศึกษามาเรียนอยู่มีธรรมะเกิดขึ้นคุณไปไหว้พระคุณไปสวดมนต์คุณไ ป, นนณไปทํากิจกรรมอะไรกันต่างๆทางศาสนา น, นี่นะ แล้วคุณบอกว่าอันนี้เป็นศาสนาพุทธเนี่ยนะถ้าพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาแปลว่าคําสอนถูกไหมพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นคําพูดที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าเองซึ่งปากในที่นี้หลายๆคนก็ใช้คําว่าพุทธโอดษพระโอษออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้า เราจึงใช้ช่วงนั้นเรียกว่าพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอดแล้วก็ที่ใช้คําว่าธรรมวินัยเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยก็มี2อย่างคือแค่ธรรมะกับวินัยแต่2อย่างเท่านั้นเองธรรมะที่ควรละก็มีควรทําให้แจ้งก็มีควรรับรู้ก็มีควรทําให้เจริญก็มีแต่อย่างเช่นเราพูดถึงอกุสนลธรรมอย่างเงี้ยความชั่วความเรวความหยี้ยี่คลานความแบ่งแยกความเป็นอัตตาตัวตนพวกนี้ควรละ เป็นธรรมที่ควรละความกระตันยูกะตะเวทีความบุปการีความอุปการะผู้อื่นก่อนความมีสติสมัมปชัญญะพวกนี้เป็นคำธรรมที่ควรทําให้แจ้งทําให้เจริญเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีหลายอย่างเราจึงพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องวิ น, นัยเรื่องพระโอษฐเรื่องพุทธประชนะอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อ น, นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ทําไมต้องพุทธประชนะ เป็นคําของพระภัยบูรณ์ได้ไหมหรือเป็นคําของอาจารย์องค์ไหนได้ไหมก็จึงต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ว่าทั้งหมดไม่ว่าสิ่งที่อาตมาจะพูดหรือว่าอาจารย์องค์ไหนพูดเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าหรือว่าจะเป็นอันธกถาอาจารย์หนังสือที่เขาแต่งขึ้นมาภายหลังทั้งหมดนั้นต้องเอาอมาจากพระพุทธเจ้าแต่ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นมูลรากของคําสอนทีนี้ว่าประเด็นคือตรงนี้ว่า คำที่อย่างสมมุติอาตมาพระภัยบุญเนี่ยเอามาจากรพระพุทธเจ้าเราฟังมาอ๋อพระพุทธเจ้าว่ายอย่างนี้เราเข้าใจใช่ไหมเราก็เอามาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังไอาการที่เราอถาธิบายเนี่ยคำพูดของอาตมาเองเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดอยู่ะจะไม่เนี๊ยบเหมือนกับบทเพียญชนะของพระพุทธเจ้าอันนี้เราพูดถึงบทเพียญชนะนะบทเพียญชนะบทไป บ, บททีละตัวทีละคําเลยเนี่ยซึ่งอันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเอาคำในคำการบรรยายของพระองค์เนี่ยจะมีการกำหนดสมาธินิมิต ท, ทุกครั้งในการพูดจึงทำให้การพูดเนี่ยไม่ผิดเลยบทเพี ย, ยนชนะเนี่ยไม่ขัดแย้งกันซึ่งได้เคยตรัสไว้ในที่หนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องของพุทธวชนะนี้บอกว่า สุดตันตะเราได้ที่เป็นกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกลับกรนมีอักษรสละสวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกนะต้องไม่ฟังนะฟังให้ดีนะเป็นคำอักษรสระสวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวนะเรื่องนอกแนวนะเป็นคำกล่าวของสาวก ค, คือพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องนอกแนวอยู่แล้วดังนะเพล น, นไอคาเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นใหม่ เป็นคําอักษรสระสลุวัยไม่ใช่เรื่องสุญญตาไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานอันนี้เราโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องฟังเลยเขาเอามาพูดก็อย่าฟังไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่เพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเรื่องนอกแนวเช่นเรื่องให้ไปซื้อของเรื่องให้ไปช้อปปิ้งเรื่องให้ไปทําความไม่ดีไม่งามต่างๆอันนี้เลิกไปเลยโยนทิ้งไปเลย ในะส่วนคำของพระพุทธเจ้านะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตานะเป็นชั้นโลกุตละชั้นเหนือโลกพรนะพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดบทพยัญชนะที่จะพูดไว้อย่างดีอย่างเนีบแล้วนะจึงทำให้เราต้องมาฟังนะควรจะต้องมาฟังเขาพูดอยู่ไกลๆนู่นรีบวิ่งเข้าไปฟังเลยนะฟังดูซิว่าเขาพูดว่าอะไรอ๋อคานี้เป็นคาพุทธประนะนะถึงจะถูกต้อง เราก็มาทบทวนสอบถามทวนถามกันเราจะคลายความสงสัยในธรรมะได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเออแล้วถ้าเป็นคําของอาตมาเองคําพระไพบูญเนี่ยเราจะมีข้อผิดพลาดแฝงอยู่ในคําเหล่านั้นคือไม่เนียบในบทเพียนชนะในวันที่อาตมาอธิบายคำเนี่ยคือมันเป็นหน้าที่ของสาวกอย่างอย่างพระทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นอัธกถาอาจารย์ครูบาอาจารย์องค์ไหนๆอาตมาเองพระไพบุญแล้วเรามีหน้าที่นั้นในการที่จะทําสิ่งที่ ไม่เคยได้ฟังเนี่ยใ ห, ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็คือเอาพุทธวจนะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละพอได้ฟังแล้วก็ต้องทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเราก็ต้องอธิบายในะยวันอย่างวันศุกร์เนี่ยเราจะเอาพุทธวจนะที่พูดไว้ในวันพฤหัสเนี่ยมาอธิบายให้ฟังทีนี้ในการอธิบายเนี่ยเราจะมีความผิดพลาดในคําพูดของเราอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ต้องกลับไปฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะการ อ, อธิบายทั้งหมดนั้นต้องไปฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ นะซึ่งในการอธิบายนี้จะต้องไม่มีการบัญญัติใหม่นะเพราะการบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะทําให้มีความเสื่อมในคําสอนของพระพุทธเจ้ามันอาจจะขัดแย้งกันได้อย่างกฎหมายที่เขามาบัญญัติกันเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญปี2554ันหอไม่มีไหมมัห้รยห้าสิบอย่างเงี้ยนะหรือ50ที่มีการบัญญัติกันขึ้นมาเอา้าก็ต้องมีกฎหมายลูกต่างๆตามมากฎหมายฉบับนั่นฉบับนี้ฉบับนูน้น นะซึ่งไอ้ที่ออกมาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดนะขัดแยง้งกันกับกฎหมายฉบับนั้น เ, เขาจะต้องออกพระราชกฤษฎีกามาแก้พระราชกำหนดมาแก้กฎกระทรวงมาแก้แก่ฉบับนี้ให้เหมือนกับฉบับนู้นาาฉบับนั้นก็ยกร่างาฉบับนี้ใหม่แล้วก็ทําใหม่แต่คำสองพระราชาไม่มีนะถ้าไม่งั้นจะมีอริยสัย์ฉบับปี2 5งห0าสอันห้าอบับหลังกึ่งพุทธกาลนะฉบับสองร้อยปีอย่างนี้มันไม่มี คือพระเจ้าบอกไว้แล้วคือจบเลยนะ่ะไม่มีความขัดแย้งกันนี่คือเรื่องบทเพลงชนะที่เนี๊ยบมากแล้วคำที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดีๆลงลึกให้มากๆนะดูจากบาลีเปิดพระสุดนั้นเทียบเคียงด้วยเนี่ยมันจะไม่ขัดแย้งกันอรตมาเองเจอมาหลายครั้งแล้วนะเราเองเนี่ยแเราก็คิดว่าเราก็มีความรู้ความเรียนพอสมควรนะนะเราไปศึกษาคาของพระพุทธเจ้าเนี่ย แรกๆเราก็เอ๊ะทำไมต้องมาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้านาะมันฟังยากด้วยนะแล้วก็เป็นภาษานี่โบราณโบราณฟังแล้วก็ไม่เข้าหูไม่ใช่ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานี่ยคือไม่เข้าเลยแรกๆนะคือไม่ไม่ประเทิงปัญญาขึ้นมาไม่ไม่มีความเข้าใจเลยโอ้ฟังยากๆแต่แค่รู้แบบภาษาแต่พอเราฟังไปเราฟังไปเราศึกษาไปเราศึกษาไปเนี่ยเอ๊ะเราพบว่าโอ้โหลึกซึ้งเว้ยลึกซึ้งในชนิดที่เรีว่าเราไม่เคยได้ฟังมาก่อน แลนะเป็นคําสอนที่แหมละเอียดรอบคอบลึกซึ้งบกเพยียนชนะครบถ้วนทุกกระบวนความหาที่ผิดไม่ได้เหมือนเหมือนว่าจะผิดตรงนี้ขัดแย้งกับตรงนั้นแน่นอนโอ้โหเราไปดูอีกทีเรารู้น้อยไปเราศึกษาน้อยไปเ อ, อ๋อไปบอกอีกประสูตรหนึ่งโน่นนะว่าตรงนี้มีแง่มุมอย่างนี้ทําให้เรามีความกระจ่างนะชัดเจนขึ้นมาในเรื่องของพุะธวจนะมากนี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวธรรมาเองนะถ้าท่านผู้ฟังมีความคิดว่า โอ้ยสิ่งที่เป็นพุทธประชาที่เอามาอ่านให้ฟังเนี่ยมันยังยากอยู่นะมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอดทนไว้ก่อนไหนถ้มาต้องบอกอย่างนี้สมมุติเรามีแผนที่สักแผนที่หนึ่งหนึ่งแผนที่อย่างเรื่องน้ําท่วมเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยแหมเป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดได้อย่างมากเลยถ้าพบว่าข้อมูลที่ข้อมาบอกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ฟังง่ายแต่เราก็เข้าใจดีแต่ไม่จริงเป็นข้อมูลที่โกหกหลอกลวงโอ้ยเราไม่ต้องการข้อมูลแบบนี้แล้วขอให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ฟังยาก มีเหนือชั้นขึ้นมาอีกอาจจะฟังยากสักนิดนึงแต่ไมไ่ถึงกับยากจนกระทั่งเป็นภาษาต่างดาวนั่นไม่ใช่แต่ว่าเป็นฟังยากหน่อยแต่ทํามีความลึกซึง้งยากในเรื่องความลึกซึง้งแต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ชัดเจนบอกทางแก้ปัญหาให้ด้วยเหตุมาจากอะไรบอกทางแก้ให้แล้วก็รู้จักแนวทางวิธีการป้องกันต่างๆเข้อมูลอย่างนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องการเป็นข้อมูลที่ถึงแม้จะฟังยากสักหน่อยแรกๆ แ, แต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ และเกิประโยชน์จริงๆเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช้งานได้เลยเหมือนการคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจจะฟังยากแรกๆสหน่อยหนึ่งแตฟังไปฟังไปเราพบว่าแผนที่ที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยถูกต้องเป็นมรรคเป็นทางที่จะพาเราไปสู่ผลคือนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเราฟังคําของสาวกที่เป็นเรื่องนอกแนวอันนี้ผิดเลยเป็นคําสอนที่นอกแนวไปเลยเป็นคําสอนที่พาไปคนละที่เลยฟังง่ายคําสอนสลละสวย นะพระยัญชนะอันวิจิตโอ้โหเลิศรู้มิลิสมาลาเหมือนอย่างกับเอาเทวดาอสวรรค์มาพูดแต่ว่าเป็นเรื่องนอกแนวอันนี้ไม่ควรฟังนะฟังง่ายก็จริงแต่ว่าเป็นคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นจึงจะพาไปผิดที่ผิดทางผิดคนละเรื่องคนละราไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแล้วทีนี้ในการอธิบายของอัตมาเนี่ยก็จึงจะต้องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยกลับไปหาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ เนีพราะว่าบทพยัญชนะของเราเนี่ยคืออันนี้ต้องมาประกาศความผิดของตัวเองไว้ด้วยเนีเพราะว่าเวลาเรามาฟังที่เราออกอากาศไปเก่าๆเนี่ยมาฟังดูฟังดูเนี่ยเราพบว่าบทพยัญชนะของเราก็ไม่เนียบนีไม่เนีบร้อยเปอร์เซ็ถ้าเปรพคนที่เนีบเนีบรละเอียดละเอียดเนี่ยเขามาฟังเนี่ยเขาจะหาข้อผิดได้บอกอ๋อตรงนี้จะขัดแย้งกับตรงนั้นแต่ต้องพูดใช้บทพยัญชนะอย่างนี้ถึงจะถูกเนีซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะกลับไปที่บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความเงียบมากแล้วบทเพยียรชนะเนี่ยคือเนื่องจากอาตมาเป็นพระธรรมดาแต่ต่อให้ใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยนะก็เป็นพระธรรมดาพระธรรมดานี่หมายความว่าเป็นสาวกธรรมดานะไม่ใช่พระพุทธเจ้าต่อให้อัครส า, าวกในสมัยพุทธกาลก็ยังเป็นพระธรรมดานั่นะคือไม่ใช่สาวไม่ใช่พุทธเจ้านั่นะคือความเป็นพระพุทธเจ้ากับสาวกเนี่ยมันคุนละเรื่องกันเลยนะเหมือนน้ําในเขื่อนกับน้ําอยู่ในแก้วอย่าง นะต่อให้เป็นอาคารสาวกก็อาจจะเป็นขวดใหญ่นหน่อยขวดใหญ่สัก20ลนะิตรต่อให้เป็นาสาวกธรรมดาก็จะขวดใหญ่สัก5ลนะิตรกุบาอาจารย์ที่มีบุญบารมีมากหน่อยก็ จ, จะขวดสองลิตรลิตรหนะึ่งพระธรรมดาก็ขวด50 500บหซีซีแต่พระพุท้านี้เท่ากับน้ําในเขื่อนน้ําในเขื่อนหลายหลายเขื่อนน้ําในเขื่อนนี่ใช้ประโยชน์ได้มากนะไล่น้ําเสียก็ได้นะใช้ทําการเกษตรก็ได้ในะแต่น้ําแค่20ลิตรนี่กิน7วันก็หมดละ กินไม่กี่วันก็หมดละน้ํา5้อซีซีนี่ไม่ต้องพูดถึงกินเช้าบ่ายก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นความสามารถตรงนี้ก็จะไม่เท่ากันเพราะนั้นเราจึงต้องกลับไปที่คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังคิดว่ายากไม่เป็นไรแต่ก็ให้ฟังไปก่อนเพราะข้อมูลถูกต้องข้อมูลที่เอามาล่าให้ฟังในชุนที่เป็นพุทธศาสนาธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมีหลักฐานสืบค้นกันมาว่าอันนี้เป็นคำพุทธเจ้าจริงเราได้ตรวจสอบแล้วนะว่าไม่ขัดกับหบดอื่นๆวิธีการตรวจสอบพุทธเจ้าก็ให้ว่าอยู่แตนะ่ถ้ามีการขัดแย้งกันลงกันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ขัดแย้งกันลงกันได้อันนี้ใช่แตนะ่เราก็เอาสิ่งที่ใช่ใช่ใช่ใชอันไหนามาพูดให้ฟังก่อนอันไหนง่ายๆคือมันมียากก็มีง่ายก็มีแตนะ่ส่วนที่ยากฟังเข้าใจยากเป็นภาษาบาลีลึกซึ้งเกินไปอันนี้เราก็จะยกมาให้ฟังทีละตอนละตอน ส่วนไหนที่ง่ายเป็นอุปมาอุปไมยที่ง่ายใช้ภาษาง่ายฟังเข้าใจง่ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเป็นพุทธวจนะเราก็เอามาให้ฟังก่อนแล้วการให้ฟังนี่ก็จึงต้องมีการอธิบายด้วยนะคือซําทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอาจมาพอให้ท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะอีกนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาอธิบายให้ฟังด้วยแนะซึ่งเรื่องที่ได้ยกมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ ก็พูดถึงเรื่องของอเนื้อแท้ไม่อันตรธานใช่พูดถึงกลองชนิดหนึ่งนที่เป็นกลองที่เขาใช้ตีในเวลารบนะตีกลองเพื่อบุกเนี่ยตุ่ตุ่มต่มๆุม่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มในภาษาบาลีเขามีคาว่ากลองที่ดังไปทั้งสิบทิศนะพอนักรบเนี่ยได้ยินเสียงกลองนิ่มจะมีความพึกเหิมบุกบุกบุกในเวลาเขาสู้รบกันซึ่งกลองนี้ก็ถ้าคือมันจะทำจากไม้เนื้อแข็ง ทนการที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ต, ต, ตีไปตีไปตีไปเนี่ยมันจะแตกได้นะแตกได้เขาก็ เ, เอาไม้ใหม่เนี่ยมาทําเป็นลิ่มเสียบเข้าไปแทนที่เก่าเอากาวอุดนะตีไปตีไปแตกอีกเอาทําลิ่มเนื้อไม้ใหม่เสียบเข้าไปอีกทําไปทําไปทําไปทําไปเนี่ยเนื้อไม้เก่าเนี่ยไม่เหลือเลยนั้นไม้เก่าทั้งหมดนี่ก็หายไ ป, หยไปเหลือแต่เ네นื้อไม้ใหม่เหมือนกันถ้าเ ผ, ผื่อว่าเปรียบเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีการบัญญัติใหม่แต่งขึ้นใหม่ นะไม่ใช้คําสอนเดิมพูดไปแล้วก็ไม่ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจฒนะฟังแล้วก็เป็นหูทวนลมยากไม่เข้าใจทิ้งไปนั้นะเราจะไม่เหลือคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะจะยากมากแต่ถ้าเรามาฟังเรามาใช้เรามาฟังเรามาศึกษาเรามาช่วยกันสอบถามทวนถามกันคําสอนของพระพุทธเจ้าจะตั้งอยู่ได้ไม่ต้องพูดถึง5้าพปีหรอกห้าพปีนี่ก็เป็นคําของสาวกนั้นะไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนองพระองค์ เ, เนี่ยจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน ตลอดกาลนานนะท่านผู้ฟังไม่ใช่5000ปีส0่พปีอะไรพวกนี้นะหรือไม่ใช่2500ปีนะตลอดกาลนานนะถ้าเผื่อว่าอะไรถ้าผื่ว่าเรายังใช้คําสอนของพระองค์อยู่ถ้าผืว่าพิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายพิกษุ์ทั้งหลายไม่เลิกละสิ่งที่ได้เพียงเล็กน้อยนะทำความเพียรอยู่มีศีลสมาธิปัญญานะเราก็เอาคําสอนพระเจ้าเนี่ยมาคงอยู่ไว้มาถ่ายท h o n ถ่ายทอดบอกสอนต่อๆไปนะคำสอนพระองค์จะอยู่ได้ตลอดกาละนาะน เรื่องที่สองที่พูดถึงเมื่อวันนี้คือในการที่จะมาบอกสอนเนี่ยในการบอกสอนของพระพุทธเจ้านี่นะก็จะใช้ลักษณะที่เหมือนกับช่างหม้อปั้นหม้อคือช่างหม้อปั้นหม้อเนี่ย เ, เวลาเขาปั้นหม้อใช่ไหมเขาจะเอาดินเหนียวมาปั้น เ, นเขาจะต้องทูบในบี่บี้โบดให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาดินเหนียวจะไม่ทําอย่างทนุถนอมคือทนุถนอมมันก็ไม่เป็นร่างมันก็ไม่เป็นรูปขึ้นมามันขึ้นทรงไม่ได้แต่มัน ตีตรงนี้ทุบตรงนี้ใช้อุปกรณ์นี่กด ต, ตรงนี้เข้าไปมันก็ปูดออกมาเป็นหม้อขึ้นมาได้แต่ความเป็นหม้อเนี่ยมันต้องมีมือหนึ่งกดมือหนึ่งป้องกันเอาไว้นะปุโรชาติจึงมีการขนาบก็มีแห่คําขนาบบางทีเนี่ยแตมาฟังแล้วก็โขนลุกขึ้นมาเลยโอ้โหดาพระได้แสบขนาดนี้นะอีกมือหนึ่งก็ต้องคอยประคองเอาไปนั่นะคือมีธรรมมีวินัยในการที่จะปกครอง คุ้มครองพิสุสงนะ์ส่ให้อยู่กันได้อย่างสา ม, มัคคีอยู่กันได้อย่างสงบอยู่กันได้อย่างสบายใจนะมีหนึ่งก็ต้องกดมือหนึ่งก็ต้องป้องอย่างพ่อแม่ในเวลาจะด่าลูกเนี่ยคือด่าเ น, นี่ยอาจจะใช้คําเจ็บเจ็บแสบแสเพื่อให้เขารู้จักกลัวต่อบาปใช่ไหมแต่ว่าจิตใจต้องมีความโอปรามารีมีเมตตานะเราต้องคอยรักษาลูกของเราให้ไม่ให้อยู่ในอันตรายนะคอยรักษาเขาไม่ให้ตกอยู่ในอกุศลธรรมนะต้องใช้คําไม่ดีบ้าง คำหยาบบ้างแต่ก็จิตมีความเมตตาในลักษณะนี้ก็เหมือนกันในหะม้อที่ยังเดียบยังยังไม่ยังไม่สุกเนี่ยยังเดียบยังเปียกอยู่เนี่ยก็จะต้องขึ้นหม้อขึ้นรูปพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าจะต้องขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดคําพูดของอาตมาบางคำเนี่ยฟังแล้วมันก็อาจจะจี้บ้างฟังแล้วอาจจะไม่พอใจบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นโทษชี้โทษ นะถ้าผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารเนี่ยผู้นั้นจะทนอยู่ได้นะแต่เราพระพุเจ้าก็ยังบอกอีกว่าคนไหนที่คอยกล่าวโทษคอยชี้โทษนะคอยกล่าวคำขนาบนคอยมาเตือนเราอยู่เรื่อยๆนะคอยชี้ช่องให้เห็นว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะคอยมาแนะนำอบรมพร่ำสอนคนนั้นเนี่ยคือผู้ชี้กลุ่มทรัพย์ควรครบกับคนที่เป็นเช่นนั้นนะเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้นเนี่ยจะมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย แล้วก็คนที่คอยมาคือการชี้โทษกับเพ่งโทษเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะชี้โทษก็คือว่าอ๋ออันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะแต่เพ่งโทษเนี่ยไม่ว่าจะถูกจะผิดนี่มันเอาผิดหมดนะเรานั่งอยู่เฉยนิ่งๆอยู่มันยังมาหาโทษอับใสเราได้แต่พนะระพุทธเจ้าเคยตรัสอาไว้คนนั่งอยู่เฉยเนี่ยคนเพ่งโทษก็ไปเพ่งโทษก็ได้นะแต่คนที่ชี้โทษเนี่ยคืออันไหนถูกว่าถูกอันไหนผิดว่าผิดท่านผู้ฟังเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมถูกมันก็ร่วมกับเราผิดมันก็ร่วมกับเราหมด นะเป็นพวกที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นมิตรหัวประจบในะมิตรหัวประจบเนี่ยถูกก็คล้อยตามผิดก็คล้อยตามนะเป็นมิตรหัวประจบมิตรแบบนี้ไม่ใช่มิตรที่ดีแต่ว่าคนไหนที่ถูกว่าถูกผิดว่าผิดห้ามเราจากความประมาทนะให้เราตั้งอยู่ในความดนะีเป็นผู้ที่ให้กลัวต่อบาปพวกนี้เป็นมิตรที่มีอุปการะมากนะเป็นคนที่เราควครคบด้วยเป็นมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นควรคบหาบัณฑิตที่คอยชี้โทษ ไม่ใช่เพ่งโทษพวกเพ่งโทษนี่เป็นคนพาลไม่ควรคบแต่ถ้าใคาริชีโทษเราดีแล้วการที่พระพุทธเจ้ามาบอกสอนเนี่ยอธมาจะบอกให้เป็นเรื่องที่ยากมากยากขนาดที่เรียกว่าโอ้ยมันไม่รู้จะพูดยังไงเอาเปรียบเทียบให้ฟังก็ได้เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินโลกของเรานี่นะมีน้ํามีน้ำสามส่วนใช่ไหมมีดินหนึ่งส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยต่อให้น้ําท่วมโลกหมดเลย นะน้ำท่วมหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะภาคกลภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เอเชียยุโรปอเมริกาทั่วหมดแม้แต่แอนตาร์กติกก็ไม่เหลือทั่วหมดเลยแล้วก็มีคนโนะยนเรือนี่แหละเอาแอกใบหนึ่งอแอกสักลำหนึ่งโยนลงไปในน้ําในแอกนี้ก็มี เ, เขาเรียกว่ารู ร, ร, รูอยู่รูหนึ่งแอกนี้ก็ถูกลมเหนือใต้ออกตกพัดไปใต้เหนือตกออก ถูกพัดไปพัดไปก็ไปไหนล่ะก็ไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าในทะเลนี้ทะเลที่ขนาดใหญ่เท่าโลกนี่มีเต่าตัวหนึ่งเต่าตัวนี้อึดมากนะร้อปีหายใจครั้งเดียว100ปีขึ้นมาหายใจครั้งเดียวคือเต่าเนี่ยการหายใจของเขาจะใช้ปอดแะเขาต้องอใช้อากาศในการหายใจนะซึ่งเขาก็ต้องเป็นปอดปอดแห้งเขาต้องขึ้นมาคุบอากาศนะที่บนผิวน้ํา แล้วก็ลงไปอยู่ใต้น้ำตามธรรมชาติของเขาแต่เต่าตัวนี้อึดมากร้อยปีหายใจครั้งเดียวแล้วก็มีอายุยืนมากล่ะดยความเป็นเต่าของเขาถ้าเผื่อว่าคำถามก็คือว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีเนี่ยหายใจครั้งเดียวโผล่หัวขึ้นมาเนี่ยตาบอดด้วยนะเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่ตาบอดแล้วก็อึดมากร้อยปีหายใจครั้งเดียวโผล่หัวขึ้นมาเนี่ย ความโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะเอาหัวเนี่ยซุกเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นถามว่าโอกาสมากหรือน้อยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตอบว่าโอกาสนี่โอ้โหน้อยมากแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนานมากจริงๆกว่าจะมีความน่ากว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าตาดีก็ว่าไปอย่างนะนี่ตาบอดด้วยอาจจะเร็งถ้าตาดีอาจจะเร็งดูว่าตรงไหนอาจจะอยู่ตรงไหนซึ่งกว่าจะหาเจอก็คงยากมากเพราะว่าทั้งโลกนี่เนาะแล้วก็ ลมพัดไปอีกนถึงจะเจอแล้วไม่ใช่ว่าโผล่หัวขึ้นมาก็จะโดนเลยก็เพราะว่ามันมีรูแค่รูเดียวพอดีพอดีหัวแล้วลมเหนือก็ใต้ออกตกก็ยังพัดไปอีกแล้วนี่ยังตาบอดด้วยนไม่ต้องพูดถึงเลยโอกาสนานมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแตเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องที่เป็นไปได้ยากกับพระองค์เนี่ยคือการที่จะมีตถาคตผู้อารหันต์ตัสมาสมพุท ธ, ธาเนี่ยจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยยากขนาดนี้ ไม่ใช่ยากเด้งเดียวยากเด้งที่สองยากสองเท่าแลนะคือการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์เอ๊ะเราเนีมาจับตัวเราดูิจับจมูกจับหน้าเรายังหายใจอยู่ไหมเอาเราเป็นคนนี่หนาะโอ้ยนี่แหละยากมากนะการที่คนพานสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยตกนรกตายไปแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งมันยากขนาดนี้นะนี่คือยากเอ่อเท่าที่สองยากอย่างที่สามสามเท่าเลย นั่นคือธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้เนี่ยจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกเนี่ยอันนี้ยากมากจริงๆเนีนเหมือนกับเป็นเรื่องที่มันทวนกระแสคือคืออย่างสมมุติอารมาบอกว่าเอาอย่าโลภนะอย่ากโกรธนะให้มีความพอดีพอดีนะอยา่ามีความฟุ้งเฟินนะแล้วก็โฆษณาเขาเขาโฆษณาการโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ร, รถรุ่นใหม่ล่าสุดนะอะไรต่างๆดีอย่างนั้นอย่างนี้โฆษณากันไป คือโลกทั้งโลกเนี่ยจมอยู่ด้วยกระแสของตันหาแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องทวนกระแสเพราะนั้นมันจึงอยู่ยากนะแต่ว่านี่เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ว่ามีการาพูดถึงเรื่องทวนกระแสอย่างนี้ก็ยังมีคนฟังซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่ยังจะมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏรุ่งเรืองไปทั่วโลกแต่ว่าสามอย่างนี้ตอนนี้เราได้แล้วนะนะจับตัวเราดูดีๆเรายังเป็นคนอยู่ไหม โอ้โหอะ ย, ยังฟังได้อยู่ไหมอ้าฟังได้นี่อ้าวพระพุทธเจ้าก็เคยมีขึ้นมาแล้วนี่แลนะ้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่อ้าวแล้วคาสอนก็ยังคงอยู่นะไม่เหมือนเมื่ อ, อหลังจากที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใหม่ๆหม่คำสอนของพระองค์หายไปจากประเทศอินเดียนะแค่ไม่กี่ร้อยปีหลังจากปริทินที่ผานนะประมาณ3ามร้อยสร้อยปีนะซึ่งหายไปเป็นพันพปีนะซึ่งไปปรากฏอยู่ที่อื่นไปรุ่งเรืองอยู่ที่อื่นนะเพราะฉะนั้น คำสอน ง, งพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอยู่ตอนนี้แล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ยากมากการที่เราจะได้มาเป็นคนก็ยากมากแต่ว่ายากขนาดไหนก็ยังได้แล้วนะในยากขนาดนี้ยังได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ให้รีบทําความเพียรเลยในการที่จะมารู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4เพราะว่าอริยสัจสี่เนี่ยมันมันรู้ยากมากไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยก็จะมาตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่ทั้งหมด แล้วก็ที่มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เพราะว่ามีความรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4นะี่นรู้อริยสัจสีคือเรื่องของความทุกข์เรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็เรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ยากขนาดนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ว่าเราเองจะต้องไปคอยศึกษาให้รู้เรื่องอริยสัจสี 4. เรายังจะต้องชวนคนอื่นด้วยนะชวนใครก็ได้ที่เขาพอจะฟังเรานะชวนใครก็ได้ที่เขาจะเชื่อถือเรา เขาฟังเราแล้วเขาจะทําตามเราอาจจะเป็นญาติก็ได้ลูกก็ได้หลานก็ได้ป้ า, น, าน้อาอาแม่พ่อนะเพื่อนคนไหนที่เขาฟังเราชวนไปให้มารู้อริย ส, สัจสีอย่างผู้ที่มาลีเครน์อยู่ที่วันป่าดอนไห่โศเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอรู้ธรรมะเห็นธรรมะลึกซึ้งแล้วว่าโอ้ธรรมะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ดีจริงๆเลยแล้วบางนั่นสมาธิเนี่ยก็จะคิดถึงแม่บ้างคิดถึงพ่อบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงเพื่อนบ้างโอ้ไอคนนี้มันต้องมานะโอ้มันยังไม่รู้เรื่องเลย ะจะมีความคิดนี้เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของธรรมะแต่เป็นลักษณะที่จะชักชวนผู้อื่นให้เข้ามารู้ให้เข้ามาฟังให้เข้ามาชมวันนี้คงอธิบายได้เท่านี้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นพุทธวจนะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลนานยเชื่อมั่นเถอะว่าถ้าเราศึกษาพุทธวจนะฟังพุทธวจนะในสิ่งที่เป็นพุทธวจนะจะมีความลึกซึ้งในบทเพยียรชนะอยู่บ้างแต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทําเราให้เข้าสู่ฟังคือมรรคผลนิพพานได้แน่ และเมื่อเราศึกษาไปทําไปเราจะพบความลึกซึ้งสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยจะเปิดเผยขึ้นมาได้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาได้ในเรื่องของการอธิบายพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษณะก็จะมาพบกับท่านผู้ผฟังทุกๆวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่เป็นส า, ากฉากับคุณเตือนใจสินตุว น, นิชยังไงก็พบกันในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามก็เสนอแนะอย่าลืมไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com หรือไม่ก็เขียนเข้ามาได้เจ้าหน้าที่ของเราทางหลังไม้ก็คอยรวบรวมคำถามเหล่านี้อยู่แล้วก็มาพบกับอีกการอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมารัตนในวันพรุ่งนี้เจริญพร